นะยุตีต้อนรับสาุชนกสุพิกษุนีที่มาจากประเทศจีนและพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยนี่คือวัดป่าสุขโตสุขโตแปลว่า ผู้ไปดีมาดีอยู่ดีอะไรบองนี่ดีหมดท่าชีวิตของเรามันมีอะไรมากมายเป็นสามัญลักษณะก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนเราก็มองสิิ์เหล่านี้เป็นเนี่ยดี มองความโลภความโกรธความหลงเปน็นแย่ดีก็เราจะได้วัดพัฒนาตัวเองความยากก็ดีจะได้ลุยๆสักหน่อยเข้มแข็งความวอนแดจะได้เจกรกล้าจึงมีแต่ประโยชน์ ในการให้ชีวิตของพวกเราแต่บางคนเอาความยากมาเป็นความอ่อนแรไม่กล้าทำไม่กล้าสู้ความยากเอาความทุกข์เอาความโกรธโลภหลงมาเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของตนเองเอาทำชั่วไปตามอาการนั่นๆเสียท่าไปแล้วเราจะได้ วิวัฒนาตัวเองเพราะเห็นอันสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเหมือนเราเป็นนักซ่อมแฉมสิมม่งที่จรุษสุดโซมการปฏิบัติธรรมเป็นการซ่อมแชมถ้าจะเปรียบเหมือนกับชีวิตของเรานี้อันถูกชนมาเนถ้าเป็นรถก็เป็นรถมือสอง เคยเจ็บปวดมาแล้วมีช่อมมาแล้วดีใจเสียใจผิดถูกได้เสียสุขทุกข์ลอยแพในการใช้งานกายใจของเราเมื่อเรามามีสติมาปฏิบัติรมเป็นการซ่อมให้มันดีขึ้นผิดไปในความ ผิดมันจะได้ถูกในความทุกข์จะได้ไม่ทุกข์ในความโกรธจะได้ไม่โกรธในความยากจะได้ไม่ยากเดียวว่าดีกว่าเก่าก็ได้แม่ว่าเราใช่อะไรก็ตามมันจะดีกว่าเก่าถ้าใช่เป็นแต่ใช้ไม่เป็นมันของดีก็เสียหายได้ชีวิตของเราเนะี่ย แม้นว่ามันมีทุกข์รวมทุกข์นี่แหละจะพาถึงสู่มรรคสู่ผลนี่พานได้แลไม่เที่ยงนี่แหละ <c oughs> ที่เราเคยเสียใจลองให้พระกอบไม่เที่ยงกว่าเป็นทุกข์อันนี้แหละสําคัญจะได้ถึงมรรคถึงผลเหมือนปุ๋ยที่มันไม่ดีมันจะได้งอกงามกับต้นไม้ชีวิตของเองเช่นกัน ใครก็เหมือนกันหมดอย่าท่อแท้ในการวัดพัฒนาตัวเองอย่าท่อถอยอย่ายอมมันจะมีการชนะอันยิ่งใหญ่คือชนะตัวเองเนี่มันไม่ใช่เอาชนะคนอื่นอันนี้ขอท้าทายที่สุดเลยเพราะพุณเจ้าสอนเรื่องนี้จริงจริง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 โจนตายทุกข์จนตายหลงจนตายแต่ถ้ามีวิวัฒนัฒนาวัฒนาวิปัจนาเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนร้ายเป็นดีมันก็ภูมิใจมันก็เรามีผีมือการงานอะไรต่างๆอยากแค่ตรงที่มันผิด ใจตื่นเรือร่นมากถ้าเป็นนายช่างก็อยากแค่ประกาศเลยเพื่อนป้ายเลยซ่อมแซมถ้าเป็นช่างตัดผมเป็นช่างตัดเสื้อผ้าเป็นช่างจัดสารอยากแค่อยากโชว์ผีมือใครทาผิดมานี่มานี่เป็น ความสงาาส่าราศีตรงนั้นด้วยแก้ความผิดเป็นความถูกต้องแก้ความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เป็นความสงาาส่าราศีมีศักดิ์ศรีของชีวิตเราจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ดอกในโลกนะี้โดยเฉพเรื่องกายเรื่องใจชนะหมดทำได้หมดเราจึง อย่าทักทุเลเรื่องนี้กันยิ่งเป็นหนุม่มเป็นสาวยิ่งดีใหญ่จะได้มีชัยชนะตั้งแต่ต้นๆชีวิตยิ่งมีอายุล้วก็ยิ่งดีใหญ่จะได้มีบทเรียนเยอะๆประสบการณ์เมา้ากก่กคนหนุ่มสาวคุยได้ เพราะเราเห็นนอะไรหลายอย่างกว่าคนหนุ่มสาวจะมาคุยอวดเราเรื่องทุกข์ก็จะมาคุยอวดเราเราเคยดุยมาแล้วอะไรที่มันทุกข์ๆสุขๆ่ไม่ต้องอวดเราเพราะเราเคยดุยสนามเรื่องนี้มาแหลกลานมาแล้วหล่มลุกคุกคานมาแล้ว เป็นเรื่องดีหรอทุกอย่างยืดงของเราถ้าศึกษาถ้าไม่ศึกษาไม่ดีเลยเลยไม่มีสิ่งใดดีเลยถ้าไม่ศึกษาแนละ้วทเรายกนิ้วเลยคนนึ่หละ่ะในโลกเนี่ยเราเป็นหนึ่งละ่ะเทียบไหลกับทุกอย่างได้ ลูกพ่อนี่แม่นี่เราคนนังละเอาปลาห น, นั่นละ <c oughs> อย่า ท, ทอดถอยเอามันก็ทำได้จริงๆเรามีสติแล้วก็ทำได้เรามีสติแล้วก็ทำไม่ได้อันที่มันไม่ได้ละมันก็ต้องมีได้ อันที่มันผิดอ่ะมันจะต้องมีทุกอันที่มันทุกอ่ะมันต้องไม่ทุกอันที่มันหลงมันโกรธและมันจะต้องไม่ทุกไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอันที่มันมีแก่เจ็บตายนั่นแหละมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันที่มันมีสุขไปทุกมันจะเหนือสุขเหนือทุกได้ลองดูซิตัวเจ้าไม่ได้ เลื่อนๆลอยๆตัดไว้ดีจริงๆปฏิบัติได้ให้ผลได้ถ้าทาอย่างนี้แล้วเจ็ดวันหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีพิสูจน์กันเนี่ยเรื่องการเจริญสติเนี่ยกาจะ ดูประวัติพุทธศาสนาต้น้นเนี่ยในช่วงนี้แหละในรอบสองปันห้าร้อยเก้าสิบกว่าปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงต้นต้นภายในเจ็ดวันห้าวันสิบวันหนึ่งเดือนถึงแปดเดือนเนี่ยตอนเป็นเดือนแปดถึงวันเพนเดือนสามเนี่ย เกิดพระลหันขีนาสกขึ้นในโลกต้องพันกั่วลกูกพิสูจน์กันอย่างเนี้ยเรื่องนี้จะให้มันหนีไปไหนเราก็มีสิทธิเหมือนกันจะให้เป็นรอยไปไหนชาติหนึ่งชีวิตของเราที่เกิดมาเนี้ยอันนี้เป็น สิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อการนี่โดยตรงคีวิตเราตัแา้แม่อุตสาหเลี้ยงโลกแม่อุตสาหตั้งคันเลี้ยงเรามาเพื่อการนี่โดยตรงให้มันกุ้มค่าจนตอบร่บกุ้มค่าน้านมแล้วแม่เอ้ยจนภูมิใจพูดออกมาได้อย่างสง่าราศรี คบค้าแล้วคุณพ่อคุณแม่คุบค้าพ่อแม่ที่เกิดเรามาแล้วลูกชายของพ่อของแม่คนนี้ลูกเสาวของพ่อของแม่คนนี้ไม่เสียแรงลุงตาเคยพูดกับแกนดตอนที่เราป่วยอนอนตื่นขึ้นม า, <c oughs> า, าก็บอกแกโนด์ว่าเอกแกนโตว่า คงไม่เสียแรงหรอกจาดโนจดจอดุ่มมันดีวันดีคืนขึ้นกาไม่เสียแรงที่ดูแลเราจอทุ่มจอโนดขนหมูไม่เสียแรงดอกไห็ว่ก็ก็แ ม, ม่เลี้ยงเรามามก็ให้พูดกับตัวเองอย่างนี้ แม่ว่าพ่อแม่เราไม่มีแล้วแต่เรายังผมใจว่าเรามีลูกของพ่อของแม่คนนีแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่มือห้านิ้วสิบนิ้วมีกายมีใจเนี่ยจ <c> ะ <oughs> ต้องเราความชั่วต้องทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นโอเป็นเอกลักษณ์ของเรา แน่นพ่อแม่ไม่มีแล้วก็ยังทำดีพ่อแม่ไม่มีแล้วก็รับความชั่วมีจิตบริสุทธิ์อยู่ถ้าเป็นอุทิศก็อุทิศส่วนบุญกุศลในให้พ่อให้แม่ตลอดเวลากะเกี่ยวกับเราเลือดเนื่อกระดูกศีละร่างกายทั้งหมดเป็นของข้อของแม่ที่เรามา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 ทุกไม่ก็โกรธไม่ก็ทำชั่วนี่คือหัวใจของเราไม่ใช่เราคนเดียวยื่งพวกเราเนี่ก็ เ, เห็นอยู่อย่างนี้มีปัญญาสามีมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีเพื่อนบ้านเพื่อนประเทศนั่งอยู่นี่ย มาจากไกลๆมาจากที่ไหนเยอะแยะไปเลยมา <c oughs> บวชเนี่ยเจอสลมาถึงตอนนี้เราก็จะทิ้งกันได้ทำไมดูแลกันอ่ะช่วยกันอ่ะอะไรที่มันผิดมันถูกบอกกันอ่ะ แล้วก็ไม่ใช่บอกเฉยๆทำกันอยู่เนี่ยให้มันดีกว่านี้ไปอีกไอ้ชีวิตที่ร้วงกันพี่รูสองน้องรูหนึ่งเหมือนกับสมัยข้างพุทธเจ้าพระองค์ลำฟังพระองค์เดียวเมื่อเกิด สาวกขึ้นมาต่างก็ช่วยพระองค์การปกครองกันและต่างๆการดูแลเป็นอธิการในด้านต่างๆเจ้าอาธิการในด้านเสนาสนะแจ ก, กเสนาชนะให้ผู้มาอยู่อาศัยอย่างเหมาะสมเจ้าอาธิการอาหารแจ ก, กอาหาร ให้ทั่วถึงไม่หวงไม่บริโภคคนเดียวเ <c oughs> จ้าที่การเครก่นุ่มหอมชีวรแจกให้ทั่วถึงไม่ใครคนใดคนหนึง่งขาดกรลุกกระลิ่งไอโอราณทาว่ายน้อย หายใหญล้นหหน่อยไม่เต็มหายใหญ่หายใหญ่ล้นหายเล็กไม่เต็มเลยเข้าใจไหมน้ําตุ่มใหญ่องใหญ่ๆล้นฝนตกอแต่องค์น้อยๆไม่เต็มเลยปกคยูตลอดเวลาจะว่าองใหญ่เต็มองเล็กไม่ไม่มีน้ํา ก็หมายถึงอ่ะผู้หลอกผู้ใหญ่เอาอะไรมาจนล้นเหลือแต่ผู้น้อยไม่มีอะไรจะกินอันนี้มันก็ไม่ได้ต้องให้รู้ถึงเรียกว่าอธิการการตีไครแบบลดสุดท้มเจ้าทีการซ่อมแซมเจ้าอธิการคลังเจ้าทีการคลังแกกอะไรต่างๆในส่วนรวม ต้องใช่ของสวยเป็นหลังคง น, นิยมไปทำไ่ไหนเนี่ยไม่หวงไว้บุิพ่อคนเดียวเป็นของเราร่วมกันมีสิทธิใช่เสมอกันนี่ก็มีคนแก่ดูแลคนแก่ให้ด้วยให้สวอส่าคนแก่มาอยู่แอกนักนมาก าทีวันว่าไหวจีน น, นองเดียวเสียห้าคนคนเจรต้องพิเศษกูคนหนุ่มคนเจอต้องมีพิเศษจักหน่อยให้ดูแลความสะดวกเพราะว่าบางทีคนเจรช่วยเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้หนุ่มคนหนุ่มให้ดูแล <c oughs> อันนี้สิ่งที่เราอธิการส่วน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 ร้องให้กันตามกันขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้มันหลงตานอนตายอยู่ในห้องไอซีอยูแล้วโยมเดินเกาะก็จกลองไห้กระจกก็ช่วยลงไม่ได้เพราะเราหายใจไม่ได้คนเดียวคนอื่นก็าจะหายใจได้อยู่ตรวจท้องเราก็ปวดคนเดียวคนอื่นไม่ใช่ปวดให้เราได้ อันนี้เป็นเรื่องดีด่วนเป็นเรื่องดีด่วนกว่าเรื่องอื่นชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับนำข้างบทยอด้านิดหน่อย หายใจเข้าไม่ออกก็หมดแล้วหายใจออกไปเข้าก็หมดแล้วเรายังจะมาประมาท อ, อย่างไงต้องศึกษาแล้วนี่กันเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังก็ได้เบ้าบุตรตาทิปเตยยะป่าลบตนเอาไว้ก่อนเหมือนพระเชตระป่าลบตน เป็นขนเจห็นขนเจ็บเป็นข น, เนขนตายไม่โทษทุรละเรื่องนี้ไม่ปล่อยที่บ่าลบตนวแรงเราจะช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไรเราจะตอบปัญหานี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่รับผิดชอบเรื่องนี้ใครเราจะรับผิดชอบ <c oughs> เรื่องนี้ พระเจ้าปู่พระเจ้าญาพระเจ้าตาพระเจ้ายายถามใครก็มีใครตอบได้ทิฏฐะจึงเสนอตัวเองใ้วัตตาที่ประเตยยรัยบผิดชอบเร้งนี้ตั้งแต่อายุม0พรรสาถึง เ, เรื่องนี้จนอายุ29พรรษาได้อดไม่หล่นทนไม่ได้ แม่แลาหุ่นมาเกิดใหม่ได้เจ็ดวันก็อดไม่ได้แล้วต้องไปสช่ก่อนเพื่ออัดตายที่พระยะปารุตนเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้หลงตาเคยคิดเรื่องนี้หืันกันสมัยมาอยู่นี่ใหม่ๆเป็นดงเลือดก็ว่าได้ที่เนี่เถื่อนมาก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 รู้ว่มันอะไรมันจะทําได้หรือไม่ได้จะก็ทําลองดูเพรานี่ก็อัตตาทิพเตยะเหมือนกันแต่มันก็มีเรื่องดีถ้าอัตตาเตยะเป็นทิปไตยอธิปไตยทำมาทิปไตยแต่ถ้ามีอัตตาทิพเตยอย่างเดียวไม่ถูกต้องต้องมีโลกาทิปเทยะซ่อนเข้ามาอีกเพื่อโลกไม่ใช่เพื่อส่วนตัว เเสียห็นคนแก่คนเจ็บปัญตายเน่ไม่ใช่ส่วนผมส่วนคนอื่นจะช่วยคนอื่นแต่ช่วยคนอื่นได้ต้องมาลู่ลงเนก่อนถ้าจะลู่ลงเี่ใครจะต้องเป็นคนลู่ต้องเราเป็นคนลู่ก่อนนั้นก็เราจะช่วยคนตกน้ําเราต้องว่า้หน้าให้เป็นก่อนเดี๋ยวว่าอัตตาที่ปเตยะโลอกาศทิปเตอเยอะเราเพื่ออะไร เพื่อทำเมื่อมีความแย่ต้องมีความไม่แจ่เป็นธรรมหมเมื่อมีความเจ็บก็ต้องมีความไม่เจ็บเมื่อมีความตายต้องมีความไม่ตายเป็นธรรมหมาถ้ามีความแย่จะต้องยอมแย่เลยไม่เป็นธรรมมีความทุกข์จต้องไปทุกข์หรือยังไม่มีธรรมถ้ามีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์ ถ้าต้องมีโกรธก็ต้องมีไม่โกรธถ้ามีหลงก็ต้องมีไม่หลงแน่นอนมองเป็นคู่แบบนี้ด้วยเพื่อทำอาทิตย์ปิยสามในชีวิตของเราให้มันตั้งคองอยู่ตลอดเวลาเราจึงข้าววานละบาทเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อเราเลย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 ถ้าไม่มีถูกก็ไม่ทำอะไรต้องมีผิดต้องมีถูกคนจึงจะเป็นคนที่ทำงานอย่าเอาความผิดมาเป็นสิ่งอุปสรรคอย่าเอาความสุขมาเป็นความสะดวกมักได้มันจะมีค่าจริงๆมันผิดแหละมีค่ามันทุกข์ก็หนักมีค่าจะได้จะได้ประโยชน์จากมัน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 ขยันทาดีขยันรู้ เ, เริ่มต้นจากความรู้ตามรอยพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยที่มาได้คำตอบเร่างนี้เจียงแต่มามีสติเห็นกายในกายแล้วก็มีอยู่จริงกายมีสติไปในกายไม่ใช่ของหลอก กายมันก็มีอยู่เนี่ยยกเปลเคลื่อนไหวไปมาอยู่เนี่ยมันก็รูดอยู่เนี่ยมันก็หลงอยู่เนี่ยมีไหมมันหลงไหมมันหลงไปกับอะไรเอากายมันเป็นตัวเป็นตนตมีบ้างไ้ยอะไรที่มันจะยังออกทางกายทั้งไมหลงมีไหม <c oughs> คจอมร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความหิวหลงไหม เป็นผู้หิวเลยเป็นผู้ปวดเป็นผู้ร้อนเป็นผู้อะไรเห็นหรือเป็นถ้าเป็นล้วไม่เห็นไม่ใช่สติแล <ugen> <lessons scholarship? S 1> ้ว <découvrir> ถ <görüş> ้าเห็นแล้ะสติเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยเห็นมันหิวอันละเรียกว่าสติไม่ใช่เป็นผู้ร้อนถ้าเป็นผู้ร้อนเป็นกายในกาย เอากายมาเป็นตัวเป็นตนหลอยเช่นเข้าไปอีกเกิดความทุกข์เกิดความโศกเกิดความพอใจไม่พอใจถึงใจนน่ะแต่มาเริ่มต้นตัวแรกเนี่ยพระองค์เก้าแรกเก้าแรกศึกษาเรื่องนี้เคลือนย้ายตรงนี้เหมือนกับเราเดินทางไปต้องมีเก้าแรกจริงจะออกจากที่ได้เห็นกายสักว่ากาย ไม่ใช่จัดบุคคลโตตนเราเขาเป็นข้าวออกไปแล้วถ้าเห็นกายเป็นกายเห็นกายเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไม่เข้าไปไหนนี่เป็นการเริ่มต้นของสิทธัตถะศึกษาเรื่องการเกิดเจ็เจ็บตายแม้พระองค์เคยเป็นเจ้าพ้าชายจบมาทั้งสิบ็ดศาสตร์ไม่ใช่เรื่องนี้ เราก็มีความรู้กันทั้งนั้นอยู่ที่นี่ไม่ใช่ไม่มีอรู้ไม่มีความรู้เลยเลยถ้าไม่มีความรู้เลยคงจะเป็นหลวงตาเนี่ยจบแค่พอจบแค่เรียนแค่สามชั้นต่อหนึ่งพอสองพอสี่พสามไม่เรียนเลยอันนี้พวกท่านทั้งหลายก็รู้กันทุกคนแล้ว แต่อเอาความรู้นั่นมาเป็นทิฏฐิมานะแต่รู้จริงๆแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยมาศึกษาเรื่นี้กันของจริงมีกายตั้งแ่เห็นกายเอากายมาเคลื่อนมาไวหวให้มันเห็นมันจึงจะเห็นถ้าไปชิดเอามันไม่สัมผัสการเห็นนี่เป็นการสัมผัสเอาไปจุ่มไปต่อกัน อกายไปต่อความรู kind of changed changed. So ้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวไปต่ออกายเห็นกายอยู่เป็นประจําเห็นกายจะเป็นประจําอะไรที่มันเกิดขึ้นกักายอย่าไปเป็นไปกับมันให้เห็นมันจนเห็นกายเสวกกายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเราเขาหะกล่าวแรกไปแล้วเอ้าไปแล้ว อันร่ากายมันก็ไม่ใช่กายอย่างเดียวมันมีเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อ้าวเห็นดีกันแหละอันเดียวกันหลักเดียวกันอสุขทุกข์กที่เป็นเวทนานั้นก็สักว่าเวทนาไม่ใช่จัตุคคลตัวตนเราเขานอนก้าวที่สองไปแล้วผ่านกายไปแล้วผ่านเวทนาไปแล้วเวทนาเป็นภาษาธรรมภาษาอินเดีย ภาษาคนไทยเรยอว่าสุขทุกภาษ า, า, ากินว่าอะไรฮ <c oughs> ะฮะฮะฮนั่นแหะสุขทุกภาษาไทยภาษาอินเดียบาลีหรือว่าเศเวทนาทุกเศรษฐนาสุขเวทนาภาษ า, าไทยหรือว่าสุขทุกเท่านั้นเด้งเห็นแล้วขั้วที่สองแล้ว ผ่านกายไปแล้วผ่านเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไปได้ใช่สูตรเดียวเฉลยไปได้แล้วสติเห็นกายจัวกายเห็นเวทนาจัก่าเวทนามีมีบทเรียนแล้วตรงไหมได้บทเรียนแล้วธรรมชาติสอนแล้วอาการสอนแล้วเห็นของเทพขออนจีงแล้ว ไปก็ไปเห็นจิตอ่ะมันมีจิตเนี่ยมันคิดอะไรไปะไอโน่นบางทีมันหอบพิวโรไปเกาะสีสังอ่ะใช่ไหม <laughs> หอบพิโรไปกุนเทพหอบพิโรไปอยู่กับลูกกุหลานอ่ะมันหอบพิโรไปบางทีจิตเนี่ยแม่มันไม่มีตัวมีตนมันก็มีอํานาจมีความเป็นใหญ่ ได้นี่หมาจิตอ่ะฮะไ้เพียนมีจิตบะนอนอย่วต์มันไปนอนดําหลานหน่อยพนหนไม่บ้านวาน ะ, <c oughs> อะเออสอนครูคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมเนี่ย้ยกมือสร้างจังหวะแล้วก็บอกว่าหนูเนี่ย มายกมือสร้างใจว่ามันจะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่านะอาคิดถึงลูกเสร็แล้วหนูมีลูกสองคนแตนหนูตายไปรถอุบัติเหตุหนูจะเลี้ยงลูกได้ไหมเนะี่ยมานั่งยกมือสร้างใจว่า <c oughs> ก็บอกว่าไม่ใช่มาคิดเรื่องลูกเวลานี้มาสร้างสติเลี้ยงลูกไม่ใช่ความคิดเป็นการกระทำนอนไม่ใช่มาคิดอะไรรักลูกก็ไม่ใช่หมาคิดรักจนอะไรอวรนรักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียก็ไม่ใช่หมาคิดจนอะไรอวรจะเป็นทุกข์ เลิกลูกก็ต้องตรงตทําตัวให้ดีเลิกพ่อเลิกแม่ก็เป็นคนดีรักสามีปัญญาก็ต้องเป็นคนดีเลิกเพื่อนต้องเป็นคนดีปฏิบัติให้เป็นคนดีให้น้ำใจดีไม่ใช่คิดเอาความรักก็เป็นความคิดเอาความคิดมาเป็นความรักมันไม่มีประโยชน์ตอนเลิกลูกต้องเป็นคนดีเวลานี้เราไม่ใช่มาคิดถึงลูกมาเจริญสติ เพราะเราอยู่ที่นี่แล้วลูกเขาอยู่บ้านโน้นมันก็มีแต่ความคิดเฉยๆมันทำอะไรไม่ได้ลูกเรามันก็ไปลูกจังหวะแม่คิดถึงกันเรามันอาจจะสุกสนานแต่เราหลงเองไปหลงคิดเจ้านั้นก็คิดอย่างนี้จิตเอ้าเห็นมันหลับเปาเนี่ยเอ้าจิตสักว่าจิตไปใช่ช่ัจิตบุคคลโตตนเราหรอ ตัวคิดมันมีสองอย่างมันรักคิดไม่อยากคิดมันก็คิดอันคิดอีแบบหนึ่งตั้งใจคิดขี้เกียจตั้งใจคิดเนี่ยไม่อยากคิดดอกแต่รักคิดแต่ตัวสังขารนั่นมั่ขยันกลางคืนเป็นขวัญกลางวันเป็นเปลวมันขยันคิดกลางคืนม้าขวันกลางวันว่าคิด มันคุ้งอยู่มีอำนาจป่าเถื่อนความคิดแบบนั้นหนาไม่ใช่อาศัยมันได้บางทีมันคิดเกิดมาน้ำตาไหลก็มีอันความคิดนหนาที่เกิดมาเราหัอลราก็มีร้องไห้ก็มีที่เกิดมาเราลักก็มีคิดคมาเ่าชังก็มีไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่อะไรอันต่อหนา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 ผิดปรามัดผิดสมมุติเหมือนมีดเอาหันผักไปฟันฟืน้นมันผิดสมมุติบัญญัติมีดหันผักก็ต้องหันผักมีดแกนไม้ก็ต้องแกนไม้มีใช้งานต้องใช้งานเป็นสมมุติบัญญตัติให้มันถูกต้องกนรวมคิดนี่ก็หวอนกันคิดไม่เป็น บางคนมีจิตก็คิดไม่เป็นคิดลงโทษตัวเองจิดรักคิดชังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จิต ใ, ใ, ใจของเรามาจับประโยชน์เป็นอันตรายตามตามความรักทำตามความชังนางโมลาเกลี่ยด่าให้โจนฆ่าจันทรบตายเพราะความรักโจร เากล่องขน้อยข้าแม่ความคิดที่เป็นโกรธความโกรธแม่จนข้าแม่ตายต่อความโกรธให้ทำชั่วครมหลงทำไมทำชั่วเพราะเกิดจากความคิดนี่แหละเห็นจิตสะว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนโลเขาเ้ามันเข้าออกไป สอนมันใจแต่ถ้าไม่สอนมันสุกโซนมันดือ้อถ้ามันดือ้อมันพอสอนได้ถ้ามันด้านไม่สอนไม่ได้มีทั่วไปคนที่ด้านที่สุดสอนไม่เอาในชีวิตเราังก็มีความดื้ออยู่ไม่ใช่คนอื่นดื้อมันด้านอยู่เวลาโกรธเป็นรู้จักอายหน้าด้านด่ากันได้ ท่วบ้านท่วเมืองคนน่ารักเคยไหนเคยหน่ารักไหมขีนาา้น่ารักกันให้อายคนมีไหมห <c oughs> ลวงพเทียนถ้าจ <c oughs> ะให้โกรธให้แจ้พระอ้อมบ้านดีงดีกว่าอันแก้พระอ้อมบ้านก็น่าอายอยู่แล้วอันโกรธมันน่าอายกว่านั้น เนี่ยมันเห็นจิตแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัว ต, วตวโนโหลเขนียแต่เชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อแต่ทำตามพระเจ้าสอนหรือจะไม่ทำตามแต่ทำตามก็มีประโยชน์ค้นไปได้เนี่ยข้าที่สอนข้าที่สามไปแล้วข้าที่สีอีก เห็นธรรมสักว่าธรรมไม่ใช่จัดปกคนโตตนโหลเขาทมคืออารมณ์เกิดกับใจก้มร้ายุ้มดีบางทีก็กกกเป็นกุศลฉลาดกว่าคนอื่นสำคัญว่าดีกว่าเขาบางทกีก็มีความสุขหลงอยู่ในความสุข วางทีก็มีความรู้หลงใย่ความรู้เป็นจินตยานไปเลยคิดอะไรรู้ไปเลยนั่นเป็นธรรมกุศลวางทีก็เอากุศลงงเอาห อ, อ, อมนมครอบงำจิตมันก็ครอบงำกายหุ่งซ้อนเบือ่อนายยากยากยุ่งยุ่งหมู่นี่ไม่ดีเลยอารมณ์ไม่ดี โดน่าเป็นไงล่ะไม่เครีดด้อยหมูนี่อารมณ์ไม่ดีนะบางทีไม่เพียนก็จะทําไมอะ่ะมันอันโน่นอันนี้อธรรมไม่ใช่อารมย์เหรออารมณ์มาเป็นจินตบางคนอารมณ์มาเป็นจิตคำข่โกู่มนเป็นจมมิตตามๆคำข่มขู่ไม่ใช่เลย อาลมไม่ใช่จิตนั้นสักแต่ว่าทำเฉยๆบางคนไปเอาความโกรธเป็นจิตเอาความรักเป็นจิตเอาความเกลียดเป็นความเบือ่อความอร่อยต่างๆมาเป็นจิตถ้ากูได้โกรธแล้วปายกูก็ไม่ลืมถ้ากูได้โกรธแล้วกูไปด่ากันไม่ยอมถ้ากูได้โกรธแล้วกูไม่ ถ้ามันก็ไม่ยอมเอาเอารมณ์มาเป็นจิตของตัวเองทําตามความผิดความคิดของตนเองคนที่สุกภาพาดเจอ้ไม่ได้ทําไปแล้วโมลาข้าจันทร์ตะรบเพื่อจะได้โจรมาเป็นสามีคนใหม่เป็นคนสวยกว่าเออครสารจันทร์ตรบตายไปแล้ว คนไม่เอาโมลามาเป็นเมียโมลาก็ยิสเสียดายจันทกรลบเจ้าคืนก็ไปได้แล้วตายไปแล้วไอ้มันผิดพาดเพราะความหลงอารมณ์มันแหละทําให้รหลงไม่ใช่จิตมีไหมผิดพลาดเพราะความเพราะจิตไม่ไหมายอะไรที่มันบางทีด่ากันทะเลาะ ก, กันแล้ว พอหายโกรธอายกันอายกันบางทีทะเลาะ ก, กันแล้วก็มีปัญญาทิ้งกันแล้วพอหายโกรธกลับขึ้นมาหากันใหม่มันเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นหรือจิตอ น, น, นอารมณ์นั่นนวธรรมสภาวธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลโตโตน โ, โ, โลเขาไอเห็นเนี่ยลื่องโคงสร้างมันเนี่ยองเรือนมาอยู่ตรงนี้แน่นอน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 ต่อมอลูนเรานี้จะเป็นกันลยาณนะปุตโชนบเบาลงมาอีกสักหน่อยเบาเบาางบา ง, บางต่อส่องเห็นอะไรได้เนี่ยมันไปอย่างนี้เราก็ได้บทเรียนจากสิ่งเหล่านี้ไปจนเห็นลูกเห็นนามเนี่ยมันอยู่ที่นี่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 มมนใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นอาการเป็นธรรมชาติเป็นฉันยานภัยของเขาให้เราช่วยเขาก็เขาเขาท้อเขาทุกข์ก็ให้เขาไม่ทุกข์ด้วยช่วยเขาให้มันมั่นใจเพิ่งตัวเองได้ <c oughs> สามารถเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงสามารถเปลี่ยนความทุก์เป็นความไม่ทุกข์สามารถเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธได้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 เบื้องต้นก็เรื่องนี้ท่ามกลางก็เรื่องนี้ที่สุดก็เรื่องนี้เรื่องการเกิดเจ็จตายเนี่ยพระเจ้าสิทธะก็ได้กเกษเสไปเหมือนเวลานี่แสงเงินแสงทองทองที่ตะนออกรุ่งอรุนขึ้นหน่อยอล้รยึ้อย่างนั้นเหเห็นเน่เออมันเป็นทางไปเนี่ยมันเป็นสูตรอย่างนี้หรอ จะลื่อนโครงสร้างยนในที่สุดพระองค์ก็ตัดเป็นเป็นพระโอษร์ออกจากพระโอษร์ของโมองอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์โสจิณภาสวดเมื่อกี้เนี่ยปัตถมพุทธภาชิตะคาถาปัตถมพุทธภาชิตะปัตถมคือปัถมปัถมคือขั้งแรก หนึ่งเอปอปฐมก็หนึ่งเอกะนี่ก็หนึ่งหนึ่งขั้งแรกจังเจดีนครปฐมทำไมาเจรเรียนกนครปฐมเพราะขั้งแรกพุทธศาสนาปฏิฐานขึ้นที่ประเทศไทยมาสร้างเจดีขึ้นอันแรกที่นครปฐมจังหวัดนครปฐมจึงได้ชื่อว่านครปฐมปฐมว่าเจดี มสมภารจิตคืออันแรกที่พระองค์ออกจากพระโอษของพระองค์สวดดูจีเย่น้อยเมื่อก่อนนี้เราไม่พบยังไม่พบญาณแต่เล่นท่องเที่ยวไปสงสารเป็นเนกระชาติกายสังขารจิตสังขารผงแต่งไปแล้วจีสังขารผงแต่งไป <c oughs> แบบนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วคงเรวนทั้งหมดของเจ้าเราหักลงแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อลงแล้วจิตของเราถึงแล้วเึิงสภาพอิเลยปุ้งแต่งไม่ได้อีกต่อไปนั่น้าละมันลื้อออกมาอันความทุกข์ความโกรธความโลภคงหลงไม่ใช่เรื่องจิตลื้อออกแล้ว ตั้งแต่อยู่สุขโตน้น์จะได้มากไหมฮะลื อ, กออกแลอวตั้งแต่อยู่สุขโตส อ, <c oughs> องพันห้าอยห้าสิบสองนน์พระเจ้ารู้หลงนี้ตั้งแต่อายุสามหกปีสาหกพรรษายังเป็นหนุ่มอยู่ร็ชาติสิ้นแล้วภพมจริยจบแล้วจิตอื่นที่ทำไม่มีแล้ว ไม่มีอะไรทาเลยฉันไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยจะพอได้ไหมนะจะพอมีกระเสสักหน่อยไหมฉันไม่มีไม่เป็นอะไรเลยอาจารย์พูดทา่าพูดว่าทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรตังทั้งที่งานการเยอะก็อ่อานผ่านในลึกๆทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไเลยไม่ไทำเลย ก็ไม่มีแต่ธรรมาชาติการแจ่ก็ไม่ใช่ชีวิตการเจ็บก็ไม่ใช่ชีวิตฉันไม่ได้แจกฉันไม่ได้เจ็บจะ ไ, ไ, ไม่ได้ตายพุทธทัสไม่ตายอย่างอยู่คู่กับโลกเอ่ไหมร้องเพลงเลยไหมเจอในที่สุดว่าพระจมโอวาสสอนพวกเราจะประมาณ สังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันไหลไปไหลไปวันนี้ก็ไหลไปอีกแล้วมันก็ไหลไปใชพราะกาลเวลาไม่ใช่เท่านั้นมันเอาชีวิตเราไปด้วยเราชีวิตเราผ่านไปด้วยอย่าประมาทใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์อย่าประมาทไปหนุ่มวัยสาวอย่าประมาทในความสะดวกทรัพย์สินเงินทอง หลงไหลในลาบยศสัเสริญเกินไปถ้าสะดวกเรื่องอทรัพย์สินเงินทองเอามามาเป็นประโยชน์ในการบรรลุธรรมถ้าคนจนก็บรรลุธรรมได้ยากถ้าไม่ถ้าไม่ไมสะดวกเมื่อแต่ยุ่งแต่ยากอยู่บางทีก็ถ้าใช่เป็นก็สะดวกบรรลุรธรรมได้ทุกโอกาส เช่นนวยลางตำข้าวอ่าฟืนเคยตำข้าวไหมข้าวาจะมีกระเดียงหางกระเดียงเท่าเนียงแล้วเหยียบให้แม่นนะบางทีไม่มีไฟกลางคืนตำข้าวนี่ไหมใครเคยตาข้าวไหมหางหางกระเดียงมันน้อยไม่ใช่ใหญ่มันกระดานพื้นนะเท่ทาเท่าเนทะ่า แล้วก็ไม่มีไฟต้องต้องมีสมาธิเหยียบกระเดียงให้พอดีหลังตาก็ต้อง เ, เข้านะเหยียบหางกระเดียงให้พอดีถ้าเหยียบไม่ถูกก็ฝ่าเท้าหลุยหางกระเดียงหางกระเดียงมันกลมกมันจะบาดหน้าแช้งบาดไปเลยแล้วหลุดไปทางนี้ก็ไม่ได้หลุดไปทางนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ถูกก็ไม่ได้ต้องเหยียบพอดีทั้งทั้งที่ตาไม่โล่อาสายมือดึงหลัก สาก็เหยียบรองเปรียบรองให้ปกติถ้าแรงกันไปข้าวก็ฟ้งออกก็คบกก็ไม่ใหญ่สากก็ลงให้ตรงๆถ้าเหยียบดักแปลงนี้มันก็สากที่ตําข้าวก็ควดแปลงนี้ข้าวก็เด่นออกถ้าเหยียบแปลงนี้สามันก็ตรงทปลงนี้ก็ทังนี้ก็เด่นออกต้องมีสมาธิให้หลางตําข้าวใช่ไหมอ่าตำข้าว <laughs> มีสมาธินะสนุกดีไม่ได้คิดเรื่องใดตรงเข้าไปสนุกกับการทำงานไปสนุกการทำงานเบิกบานใจพร้อมกันไปหลายสำไ ม, ม่ค่ายิ่งได้งานได้บรรลุธรรมไปอีกอันหนึ่งก็ขาฟืนใผ่าฟืนไม้ฟืนดุ้นใหญ่ ต่อมาเป็นซอยรุ่นเล็กๆขนาดเนี่ยเอาขวานจับลงไปให้แม่นนะสับรูให้แม่นถ้าจับไม่แม่นก็ไม่ถูกจะเอาตรงนี้ให้แม่นสับตรงเดียวให้แม่นถ้าสับโทุลยที่ไม่แตกถ้าสับไม่ถูกที่เดียวกันนะอ้าปลุกไปเพื่อไปถูกที่เดียวกันสักสองสามทีมันก็แตกออกซอยออกเป็นดุน่นถ้าดุ่นใหญ่มันก็เข้ากล่นหม้อนึ่งไม่ได้ เขาต้นม่อแจงมาอะไรต้องทนเรื่องอย่างที่สุดก็เท่าด้ามเม็ดอ๋อน่ะก็มีสมาธิไม่ใช่เรื่องเร็วนะเผาพื้นตับเข้านะอังคนพวกเท่าเขียนฟ้ายก็คืนไม่ต้องดูอะไรบิดปลอนตาก็บิดปลอจักตอกไม่ต้องดูจักตอกเหลาตอกไม่ต้องดูมันสัมผัสไปมันเรื่องดีนะ ว่านั่นการทํางานไหมอย่าถือว่าเป็นเรื่องทุกข์เรื่องยากเรามาทำอมนนี่จะยิ่งดีนะมันจะมีความผิดพลาดอยู่ความยากความผิดความถูกความสุกความทุ ก, ก, ก, กข์เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเยอะแยะเลยปวดขาล่าแย่งแต่ว่าทํำข้ายากกว่านี้เหลังทำข้าวยากกว่านี้เรามานั่งจกมือมันจะยากอะไรอ่า อันนี้ก็สมควรใจเวลาพูดไหลไปไม่มากแค่นี้